ในวิถีมีในวิญญาณมีหกใช่ไหมวิญญาณนาชกะจักขูวิญญาณอันนี้ชัดเจนแล้วได้แก่อะไรเนอ่ยถ้าจักขูวิญญาณวิถีความเป็นไปของจิตเจสิกที่ยกจักขูญาณขึ้นเป็นประธานโสตวิญญาณวิถีก็คือความเป็นไปของจิตเจศึกที่ยกโสตวิญญาณขึ้นเป็นประธานคานวิญญาณวิถีก็คือความเป็นไปของจิตเจศึกที่ยกคานวิญญาณขึ้นเป็นประธาน ชิวหาวิญญาณวิถีคือความเป็นไปของจิตเจสึกที่ยกชิวหาวิญญาณขึ้นเป็นประธานกายยวิญญาณวิถีคือความเป็นไปของจิตเจศึกที่ยกชิวหาวิญญาณขึ้นเป็นประธานถ้ามโนวิญญาณวิถีความเป็นไปของจิตเจสึกที่ยกมโนวิญญาณขึ้นเป็นประธานในที่นี้ท่านบอกว่ามโนวิญญาณขึ้นเป็นประธานนั้นน่ยต้องยกชวนะจิตให้ผ้าเป็นประธานและการที่ยกชวนะจิตให้ผ้าเป็นประธานก็เพราะว่าชาวนะจิตเป็นผู้รู้ ส่วนทางตาที่ยกจากคูญยานขึ้นเป็นประธานก็เพราะวิธีจิตที่เกิดขึ้นที่หลังต้องรับอารมณ์ต่อจากจากคูวิญญาณเขาเอาว่าผู้รู้่เอาผู้รู้เป็นประธานเอาผู้รู้เป็นประธานเออตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าน่าตรวจสอบดีน่าตรวจสอบดีว่าเออที่ยกอย่างนี้เป็นในลักษณะยังไงยังไงเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกวิญญาณ อย่างที่เขาถามว่ามโนวิญญาณก็ได้แก่จิตพวกไหนจริงๆมโนวิญญาณก็ได้แก่จิตเจ็ดิบเก้าเว้นทวีสิบใช่ไหมแต่ว่าประธานของเขาคือชาวนะจิตห้าสิบห้าเออนั้นก็ต้องแยกด้วยเพราะว่ามโนวิญญาณนี่จิตเจ็ดสเก้าเว้นทวีสิบใช่ไหมว่าโดยวิญญาณตามลําดับอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าโดยธาตุลหละจากขุยญญาณธาต โสตวิญญาณธาตุคานาวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายาวิญญาณธาตุก็ทวิสิทธิ์ไลม่มาตามดังมโนธาตุเนี่ยคือก็คือมันไอองค์ที่สาม 3, คือปัญจะสัมปติสองกับปัญจทวารวชนาจิตหนึ่งส่วนมนโนญาณธาตุก็ได้เจ็ดสิบหเลยต่างกันนะะเดี๋ยวต่อไปทีนี้ทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนความเข้าใจก็คือว่าวิทยปวัติจกักขู วิญญาณโสตวิญญาณว่ามาแล้วไอจ้จักรุทวานวิถีเรียกว่ายอย่างไงอ๋อเดี๋ยวจกักรุทวารแล้ววิถีความเป็นไปของจิตเยสิกในในจกักรุทวานเนี่ยเจ็ดสี่สิบหกที่เป็นไปในจกักรุทวารเป็นต้นอันนั้นอันนั้นคงไม่ต้องไปไละะ่แล้วมั้งคงไม่ต้องไปไล่แล้วตามลำดับเอาดูวิทยาปาติเลยเร็วหน่อยโดยอวิธรรมมาตสังกหาเนี่ยนะหน้าสองกรมันหน้าสอง อติมหันตารมม์หันตารม์ปริตารมมติปริตารมมิภูตารมอวิภูตารมนี่เขาเรียกวิศยาปวติชกกะถ้าอัฏฐาก็ทางมโนทวารก็เพิ่มสี่ดังที่ได้กล่าวเป็นอติวิภูตารม์วิภูตารมอวิภูตารมมอติอวิภูตารม์ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าวิศยาปวติติของวิถีมุตจิตกับคาว่าวิศยาปวตติของวิถีจิต วิสยประวัติของวิถีมตรมุตจิตนั้นมีอยู่สิเกใช่ไหมไอจิต19กดวงเามีวิสยาปวติของเขาไหมมีความเป็นไปของอารมณ์ของผวังกับจิตสิกก็มีและความเป็นไปของอารมณ์ของวิถีจิตปดสิบก็มีอย่างนั้นเขาเรียกว่าวิสยะประวัติเออแยกบทหน่อยที่วิสยะนี่คืออารมณ์ใช่ไหมบอยคำวิสยะวิสยะนี่คืออารมณ์ประวัติก็แปลความเป็นไป ทวิสยประวติก็แปลว่าความเป็นไปของอารมณ์ในในไหนในทวารใช่ไหมในทวารในทวารไหนก็ว่าไปทีนี้ถ้าบอกว่าวิสยาประวติคือความเป็นไปของอารมณ์ทางทวารเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ต้องมาแยกแล้วเดี๋ตอนนี้แยกหน่อยเดี๋ยวแยกวิธีจิตจเล็กน้อยนะตอนนี้วิถีจิตเดี๋ยวแยกตรงนี้นะตรงนี้นะที่บอกวิถีจิตเนี่ยทั้งสองประเภทรวมกันคือแปดสิบเก้าเนี่ยนะ เป็นวิถีมุตจิตเสียเก้าดวงเป็นวิธีจิตตัดตัดสิบเนี่ยทีนี้ก็มาแยกกันบ่าเป็นเอกันตาเนี่ยเป็นวิถีมุตจิตโดยแน่นอนสักเก้า 9, คือรู ป, ร ป, รปวิบากห้ารูปวบากสี่ก็รวมเป็นเก้าที่เป็นวิถีมุตจิตไม่แน่นอนเสิบสิบคือเบคคาสองไม้บากแปดรวมเบ็ดเสร็จก็คือเขาสิบเก้าดวงนั่นเองเป็นวิถีมุตจิตนเนี่ย ส่วนวิถีจิตแต่ถ้าเป็นเอกันตาน่นอนเลยคือ70 70เจคือเว้นพระวังก็เจ็ดกไป89ใช่ไหมแปออก19เก็เหลือก็เหลือเจนั่นแหละแล้วก็เป็นเอกันอกันตาส0สอุเบขา2สันตินะมหายบาก8ดเนี่ยรวม1ิดวงนี้เป็นวิถีจิตได้แต่ไม่แน่นอนก็คือรวมเบ็ดเสร็จก็คือว่าจิต80ดวงเนี่ยดดวงเป็นวิถีจิตได้ แตใ่ในเป็นได้นั้นมีไม่แน่นอน ป, ปนเปนอยู่คือสิบดวงไอ้ตรงเนี้ฉะนั้นอุบเบกขาสอง <c oughs> ในขณะทำหน้ า, นนารรนที่ปฏิสนธิปวังจุติเป็นวิถีมุตตจิต <uguese> แต่ในขณะทํำหน้ารรนที่สันติรณะและตถารัมนะเป็นวิถีได้เป็นวิถีจิตได้ไม่ได้เป็นวิถีมุตตจิตมหาบากแปดในขณะทำหน้าที่ปฏิสนธิปวังจุติเป็นวิถีมุตตจิต <uguese> แต่ในขณะทํารรที่ตทารัมนะเป็น วิถีจิตอันนี้แยกให้ออกนะครับว่าวิถีจิตวิถีมุตตจิตเนี่ยแยกให้ออกมอออกไหมตรเนี้ยเวลาแยกแยกสองอย่างหนึ่งเอาอเวขาสันติรณจิตสองมาพูดก่อนถามว่าในขณะเขาทําหน้าที่ปฏิสนธิผวังจุติไอตอนนี้เขาเป็นวิถีมุตตจิตแต่ทําหน้าที่สันติรณะและทําหน้าที่ตถา ร, รัมพนาเป็นเป็นวิถีจิตแต่ถ้าตามเห็นไหมตรงเนี้ยตามทันไหมเนี่ยบอโอ้ยไม่เคยทันเลยวัน มาให้บากแปดแหละในขณะทาหน้าที่เกิดปฏิสินที่ผวังแล้วก็จุติเป็นเป็นวิถีมุตตจิตคือพ้นจากวิถีแต่ถ้าหากว่าทาหน้าที่ตถาธรรมะ น, นี่เป็นวิถีจิตที่จริงท่านในจุรโทรเขาแยกละเอียดน่นนี้ท่านแยกไงรู้ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นอุเบกขาสังติรรนัตจิตสองนั่นในขณะทาหน้าที่ ทำที่ปฏิสนธีและจุติจิตนั้นเนี่ยพ้นจากพ้นจากทวารพ้นจากจักขคูทวารโสตทวารคานาทวารชิวหาทวารกายทวารและมโนทวารจึงเป็นทวารลวิมุตติจิตเห็นไหมแต่ถ้าทําหน้าที่ผวังเขาเป็นตัวมโนทวารเห็นไหมท่านในขณะที่ทําหน้าที่ผวังนี่เขาเขาเป็นตัวมโนทวานเนะแต่ถ้าทําหน้าที่สันติรณะเกิดในปัญจทวารทั้งห้า คือเกิดในจักรคูทวานโสตตะทวานคานาทวานชิวหาทวารและกายยะทวารถ้าทำหน้าที่ตถารรมะเกิดในทวารทั้งหกจักรคูทวานโซตตะทวานคานาทวานชิวหาทวานกายยะทวานและมโนทวานนี้อย่างเงี้ยเขาเป็นตัววิถีจิตเกิดได้ในทวานห้าในขณะทำหน้าที่สันติเกิดได้ในทวานทั้งหกในขณะทำาที่ตถารรมะเห็นไหมแต่ถ้าหากมหิบากแปดในย่าผู้หลวงในขณะทำาที่จุตติและปฏิสนตินั้น เป็นทวารเลยมุดอยู่แล้วพ้นจากทวารทั้งหมดเลยแต่ถ้าทาหน้าที่ผวังเขาก็เป็นมโนโทวารดิจะไม่เป็นมโนโทวารเนี่ยถ้าทาหน้าที่ตัารมณะเกิดได้ในทวารทั้ง6เป็นวิถีจิตเลยอันนี้ก็แยกระละเอียด ล, ยลงไปตรงนี้ไล่ตามหลักเนะเนี่ยแต่ว่าถ้ามาพูดอย่างนี้จะเข้าใจจะมองเห็นออย่างยกตัวอย่างถ้าไม่เห็นลองพลิกไปดูสิพลิกไปดูอีกหน้าหนึ่งในปัญจทวารวิถี เ, เห็นเลยเห็นไหมเห็นตัารมณะไหม ในวิถีแรกวิถีรวมวิถีตัวอย่างเนี่ยแตทารามนาจิตเนี่ยถ้าใส่เต็มตัวเขาก็คือว่าในนั้นก็ต้องมีอุเบกขาสองมหาิบากแปดใช่ไห ม, ม, ม, ม, มไม่ต้องพูดถึงสมนัตสันติอุเบกขาแล้วเออ ส, สมสนัตสันติเอาสิบเอ็ดวงนั้นเนี่ยถ้าในขณะทําหน้าที่แตทา่นั้นเนี่ยถามว่าเขาไปเกิดในจกักรคูทวารและวิถีก็ได้ในนี้จกักรคูทวารวิถีเอ็นไหมแตทาเกิดต่อแตทารมณาเกิดต่อ ก็แสดงว่าในที่นี้ต้องนับเนื่องว่าเขาเกิดในจักขคูทวารได้ในโสตะทวารคานาทวา น, าะะวานจิวหาทวานกายะทะวานท่านในมโนโทวารวิถีเขาก็ไปทําหน้าที่ตถาธรรมพนาได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดได้ในทวานทั้งหใช่ไหมแต่ถ้าในอุเบกขาสองในขณะที่ไปทำที่หน้าที่สันติรนาสันติรณกิจเนี่ยเกิดได้เฉพาะในทางปัญจทวานเท่านั้นใช่ไหมมองเห็นไหมถ้าทําหน้าที่สันติรณกิจ เขาไปเกิดทางมโนทวารไม่ได้อันนี้ก็แยกกันมีไปนี้นะนี่สรุปตรงนี้อีกทีก็คือว่าวิทยาประวัติถ้าถามบอกว่าวิทยาประวัติของวิถีมุตตจิตคืออะไรนะความเป็นไปของจิตเจรสิทของของของวิถีมุตตจิตคือว่าของจิตสิบเก้าดวงเนี่ยก็หมายความว่าเอกภวังก์ก็จิตสิบเก้าอุเบกขาสองมหาวากแปดมหากรต่บาศเก้าเนี่ยนะ ถามว่า19ดวงนี้เนี่ยวิถีมุตตจิตทั้งวิถีมุตตจิตนั้นน่ะถามบอกว่าวิทยประวัติของเขามีกี่อย่างก็อบอกมีสคือกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์ rum, และคาตินิมิตอารมณ์ไอเนี่ยคือวิทยประวัติของของอะไรวิทยประวัติของวิถีมุตตจิตทีนี้ถ้าวิถีมุตตจิตของวิถีเรามีเท่าไหร่ ของวิถีจิตอะที่ไม่ใช่วิถีมุตตจิตน่ยวิทยาปติของเขามีกี่อย่างของวิถีจิตมีหกหรือมีแปดใช่ไหมกลับมาไล่ตรงนี้แล้ววิทยาปติของวิถีจิตมีมีมีมีหคืออติมหันตังอหิอติมหันตารมมหันตารลมปริตตารลมอติปริตตารลมวิภูตารมอวิภูตารมอันนี้คือวิทยาปติของแบบแบบหกใช่ไหม ของวิถีจิตนี่คือวิบวิเสยปกติของวิถีจิตเนีนี่ความความเป็นไปของอารมณ์ของในวิถีจิตเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าแปดก็คืออติมหันตารมณมหันตารมปริตอารมณอติปริตารมณ์อติวิภูตารม์นี่ทางมโนทวานนะวิภูตารม์อวิภูตารมณ์และอติอวิภูตารม์นี่แยกให้ออกฉะนั้นถึงบอกว่าว่าทวานเนี่ยนะมโนทวานท่านเรียกว่าทวารแล้ววิมุตตจิต เพราะตัวเองไม่เป็นทวารให้ใครคงรับอารมณ์ของตัวเองที่มีวิทยประวัติทั้งสามไอตัวไอตัวตัวพระวังก็จิตเนี่ยนะขอโทษทีตรนี้พระวังก็จิตท่านเรียกว่าทวารวิมุตติจิตไอตัวทวารวิมุตติจิตแปลว่าตนเองเนะี่ยพ้นจากทวารใช่ไหมพ้นจากทวารทั้งหทีนี้เมื่อพ้นจากทวารทั้งเจ็แล้วตนเองมีอารมณ์ของตนเองโดยเฉพาะ ใช่ไหมที่รับมาจากพบเก่าเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์นั่นแหละไดทัศน์เวลาคนจะผวังของแต่และบุคคลก็มีอารมณ์ต่างกันนะไม่เหมือนกันบางคนบางกลุ่มก็มีกรมมะอารมณ์กรมมะอารมณ์ได้ทําอารมณ์อย่างเดียวบางกลุ่มก็ได้กรร ม, มนิมิตนิมิตของคนไม่เหมือนกันบางกลุ่มก็เป็นคตินิมิตเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเวลาเราลงภวะเ อ, อเวลาผวังเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีอารมณ์เหล่านี้ซึ่งเราไม่รู้เลยนะเราไม่รู้ แต่มันเป็นไปตามเงื่อนไขของกรรมนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวิย์สยปวัติของวิถีมุตตจิตก็มีสามอย่างดังที่ได้กล่าวถ้าเป็นของวิถีจิตก็มีหกบ้างมีแปดบ้างก็ก็แยกกันไปก็ตรงนี้ก็ไปแยกให้ออกฉะนั้นเวิย์สยปวัติทางมโนทวารถ้าตามในย่าของอภิธรรมมัตสังขารมีสองวิภูตารมกับวิภูตะลมถ้าทางของอัตกถาดีกาก็เพิ่มเป็นสนะี่เนี่ย อติวิภูวิภูตารม อ, อ, อ, อวิภูตารมติอวิภูตารมทีนี้ไปทำความเข้าใจอีกอย่างก็คือว่าสรุปตรงนี้อีกหน่อยก็คือว่าการเกิดขึ้น ข, นของวิถีจิตก็ต้องมีทวารยังจะเกิดขึ้นได้ถามว่าจิตเนี่ยเวลาจะเกิดถ้าไม่มีทวารเกิดไม่ได้นะวิถีจิตเนี่ยยกเว้นวิถีมุตตจิตเพราะตัวเองเป็นทวารลมุติ ฉะนั้นเวลาวิถีจิตจะเกิดขึ้นมานั้นก็จะต้องมีทาวารทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทาวารใจแมย์ถ้าคิดไปพิจารณาเหมือนกับรถเนาะเหมือนเลยเนี่ยรถไฟอะ่ะรถยนต์เนี่ยหรือเหมือนกับเรือเวลามันจะวิ่งมันต้องมีคลองมีทางของมันเครื่องบินเนี่ยนะฉั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นทางวิ่งทางเดินของเขานี่วิถีจิตก็มาเกิดไม่ได้นี่เป็นอย่างไง นอกจากมีทวาลแล้วยังต้องมีตัวอายตนาตัวเชื่อมด้วยเขาว่าเป็นที่เป็นแหล่งเป็นที่ชุมนุมในการทําบุญและทําบาปของวิถีจิตเหล่านี้เป็นที่ชุมนุมบุญและบาปของเขามีใครถามอะไรไหมเนี่ยพอไปถึงตรงนี้เกิดได้ทิคือปัญหาว่าเขาป่วยแบบไหนถ้าคือคือบางบางครั้งเนี่ยทางปัจจทวาลเขาอาจจะแต่บางทีไม่แน่เนะี่ยบางทีเนี่ยประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งตายยังไม่เงื่อนไขของการพูดจาก็ไม่ได้คืออย่างนี้ จิตคิดวาโยาธาตตั้งขึ้นแต่ว่าร่างกายกลับไม่สมประกอบที่จะเป็นปัจจัยให้ขยับเขยื่อนได้หรือสภาพของวาโยาธาตไม่สามารถจะยก ร, รูปรูปที่เกิดจากกรรมจากจิตจากอุตุจากอาหาร น, นั่นเองที่เป็นส่วนของมือเป็นส่วนของแขนของขาเนี่ยของศีรษะของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งให้ขยับเขยื่อนได้หรือถ้าถามว่าในขณะนั้นถ้าจากขูทวารก็จากขูประสาทยังไม่ยังไม่ดับจากคูทวานก็มีอยู่จากคูวิญญาณก็มี สีก็มีปรากฏเห็นได้แต่เงื่อนไขของการที่จะพูดมันไม่ได้ เ, เพราะอวิญญนที่รูปไม่สามารถที่จะยกปากเข้าให้ขยับเขยือนได้จากเงื่อนไขจากการถูกกระทําอะไรต่างๆแต่เห็นอยู่อย่างนั้นน่ยรู้แต่พูดไม่ได้บางครั้งอย่าว่าแต่นั้นเลยบางทีเห็นได้แต่ตาค้างอยู่างนี้นะหูน้ำแต่ตาก็แห้งผากไว้เนี่ยที่สุดจริงๆเลยเงื่อนไขของการเห็นเลยไม่ได้อยู่เหมือนกัน มันไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงไอ้ไหมไอ้ไม่มีอะไรกระเพียบที่เช็ดม่านตาปจตัจจัยตรงนั้นมันก็หายไปทั้งๆ ท, ที่จกักรูวิญญาณก็พร้อมที่อยากจะเกิดจกักรูประสาทก็ยังมีอยู่แต่เงื่อนไขคือกระจกตาเสียหายจะแล้วเลยเห็นไหมมันก็คล้ายๆว่าปัจจัยมันไม่พอเลยบางทีแสงสว่างแสงสว่างก็มีรูปารมณ์ก็ปรากฏเฉพาะหน้าแล้วก็จกักรูประสาทก็มีอยู่ไอ้ความตั้งใจอยากจะดูก็มีแต่ไอ้ปัจจัยคือกระจกตาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันเกิด หรือว่าไม่มีน้าหล่อเลี้ยงบ้างอะไรไม่ขึ้นถ้าถ้าหากว่ามันเงื่อนไขไม่ถึงมันก็ไม่ขึ้นมันเหมือนอย่างงี้ถ้าถ้าบอยนึกให้ออกหน่อยก็คืออย่างนี้สมมติอะทางทางรถไฟมีหกทางมันเสียกี่ทางรถก็วิ่งไม่ได้ถ้าเห็นนลองนี้จะชัดมันบางทีไม่เสียพร้อมกันอะไรเลยนะหกทางเนี่ยมันอาจจะทางใดทางหนึ่งมันเสียหรือเริ่มต้นเนี่ยมันเสียอ ตอนตายมันไม่ได้เสียไอ้ตรงนี้มันก็ไปไม่ได้มันต้องอาศัยปัจจัยจริงๆเหมือนกันอย่างนั้นนั่นหละมันจะลุกมันจะวิ่งเข้าเส้นทางนั้นมันก็ขึ้นไม่ได้มันใช่ไหยมันไม่มีที่ว่าไอ้ตัวที่จะทําให้หัวรถจักรคล้อยเข้าสู่ทางเส้นนั้นเส้นนั้นเป็นต้นก็ไปไม่ได้เขาเรยอุบัติเหตุหรือเขาเรียกว่าเหตุที่จะเกิดขึ้นมันไม่สมบูรณ์สี่อย่างเป็นต้นแล้วมันก็ยังมีเหตุปัจจัยอื่นอีกเยอะ อันนั้นคือวิถีจิตก็เป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าแล้วทางมโนทวารวิถีเป็นไปอยู่แล้วคิดนึกเรื่องราวต่างๆได้แล้วถึงบอกว่าอย่างพวกเราถ้าเสียสองทวารก็ยุ่งแล้วทั้งตายทั้ถ้าทวารตากระทวานหูไม่มีแล้วจะเรียนว่าทำได้ไหมเจบเพเลยเนะใครมีข้อมูลอะไรจาอะไรได้มากคนคนนั้นก็ดีไปก็ทำอย่างนี้ก็แล้วกันตอนที่ยังพอมีสองทวาร น, นี้อยู่ก็ท่องอะไรไวเ้เยอะ อย่างท่านมาในชิดนี่สบายเลยทวนปฏิโมกได้ใช่ไหมอันนี้ก็สบายเลยถึงทวารตาบอดมีนะทวารหูหนวกแต่ทวนปฏิโมกได้อันนั้นอีกอย่างเคยเห็นมาแล้วในคนตาบอดคนตาบอดแต่หูไม่หนวกทวารหูไม่หนวกแต่ท่านท่อง ท, อ ง, ทองพระปฏิโมกได้โอ้หอย่างน่าวบุญแต่ต้องจูงนะไปไหนมาไหนจูงจูงเข้าบดจูงอะไรต่างๆอะเนี้ยท่านไล่ลาลดับอุโบสถได้ด้วยเนะื้ วันนี้อุโบสถที่ห้ากันคว่าผมพระจะสวดพรนที่หกหลบฝังโอโหตาบอดขนาดตาบอดท่านได้เงี้ผมยังนึกโอโหชื่นชมเลยเนี่ยอย่างเราถ้าหากมันจำอะไรไม่ได้เอาเลยเนี่ยนัไปบอดปุ๊บลงนี่ยุ่งแล้วถ้าหูหนวกเขาอีกก็ยุ่งใหญ่เลยทจะยุ่งยุ่งหมดท่าว่าังนันแต่แล้วไม่ตายสักทีเลยอยู่งั้นนะคิดแต่บาป มันจะตึกหาบุญได้ไงมันจําได้แต่บาปเสียเลยตอนนี้เ้าเรียกลางรถไฟเสียไปสองลางจบวิ่งทางนั้นไม่ได้ทางมันโนมันแล่นอยู่แล้วแ <c oughs> ล่นอยู่แล้วไอ้ม่ใหม่ก็อาจจะตึกถึงบุญถึงอะไรได้ใช่ไหมหนักเข้าหนักเข้าลืมสิตึกไปตึกมาลืมสิใช่ฉะนั้นมีทาวารหูอะรีบฟังซิรีบฟังซิมีทาวารตารีบดูซิที่มันจะทําเป็นช่องทางของบุญเนอะตรงตรงนี้ยังยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็น เังแง่บอกเคยเห็นก็คือว่าเกี่ยวกันในเรื่องของการว่า อ, อย่างที่เคยยกตัวอย่างที่บอกว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ที่ที่บอกว่ากลุ่มของสัตว์เดรัจฉานคือในกลุ่มของผู้ที่ยินดีในรสอาหารยินดีในสียินดีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะน้อมไปเกิดที่ตรงนั้นน่ะมีอย่างยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของพวกแมลงทั้งหลายที่ยินไอ้ที่ไปอยู่ตามต้นไม้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย คือก็กลุ่มที่พวกยินดีในสีอย่างนั้นหรือในกลุ่มของสัตว์บางพวกบางหมู่ที่ชอบของสวยๆงามๆชอบตกแต่งเนี่ยก็ไปเกิดพวกเป็นหมู่นกหมู่อะไรต่างๆนี้ชอบความงดงามใส่ขนของตอนเองเลยนะหรือหมู่พวกสัตว์ในกระชานทั้งหลายที่รักสะอาดลักสวยรักงามเป็นต้นเนี่ยออย่างนี้มีแต่ที่บอกว่าตาบอดนี่ไม่มีถ้าตาบอดนั้นก็คือจะปัจจัยของการที่ปัทุุสลาย หรือทํากรรมเกี่ยวในเรื่องของการที่จะทําให้อวัยวะเขาสูญเสียอย่างใดอย่างพวกนี้ยิ่งจะเพิ่มตานะครับยิ่งจะเพิ่มตาเพิ่มขนเพิ่มอะไรต่างๆมากถ้าอย่างนี้เจอเจอหลักกรรมแบบแต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะยินดีพอใจแล้วทําให้ตาบอดอันนี้อันนี้ยังไม่เคยเพราะถ้าดูแล้วก็ไม่น่าจะเพราะถ้าหากว่ายินดีพอใจถามหรือทํากรรมอะไรท่านจะวัดกันว่าเมื่อยินดีพอใจแล้วไปฆ่าเขาหรือเปล่าไปทําให้เขาตาเสียหรือเปล่าหรือไปทํากรรมเกี่ยวในเรื่องพวกนี้ไหม ถ้าอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่น่าจะเพราะมันต้องดูอย่างเหตุหรือเจตนากรรมที่กระทําลงไปมันจะสอดคล้องกันมันจะสอดคล้องกันอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ายินดีในในลดอาหารเนี่ยท่านก็จะยกตัวอย่างเลยบอกว่าสาัตว์บางพวกกินอยู่ตลอดเวลาเลยหรือว่าในกลุ่มของที่ยินดีเพลิดเพลินในเรื่องดูเนี่ย <c oughs> โอ้โหจะต้องไปดูตรงนั้นอีกนานเลยเนี่ยหรือถ้าฟังเสียงอะไรก็จะต้องไปฟังลักษณะอย่างนั้น ถ้ายินดีในการร้องก็ถ้าเป็นสัตว์เร่ร่อนก็ร้องอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าอย่างนี้มีร้องอยู่นั่นแหล ะ, ใ, หละใครจะชอบฟังหรือไม่ชอบก็ร้องอยู่นั่น <c oughs> แล้วมันจริงๆนะสัตว์บางประเภทนี่คนชอบดูจริงๆนะ <c oughs> คน <c oughs> บอกวุ้ยงามงามไอ้อย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าน่าน่าน่าการุณาน ม, มาก <c oughs> ถ้าจะเลี้ยงไว้เพื่อถ้าคนคนนั้นมีความเข้าใจว่าทำเลี้ยงไว้ก็ดี <c oughs> ถ้าจะนุเคราะห์เข า, เขาอะไรเขาแต่ ที่ดูมันไม่ใช่มีแต่อุ้มจับกอดหอมจูบกันอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้ย <c oughs> จะเป็นอย่างนั้นจริงๆไงเล่นกันแบบมันเขี้ยวมันอะไรเขาว่างเข้าไปถ้าอย่างเงี้ไม่ใช่แล้วราค้าจับตลอดนี่ไม่ได้ <c oughs> หมัดเอ้ยพวกสัตว์ดิบฉาญเนยที่อยู่ในตัวสัตว์เหล่านั้นอีกมาก <c oughs> เหมือนอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีเราลักใครมากแบบตั้หาราค้าเนี่ยเ <c oughs> ชื่อไหมบางทีเราไปทํำลายเขา บางทีก็ไปเกิดเป็นเชื้อโรคในร่างกายเขาที่สดจริงๆก็คือสัตว์เหล่านี้ก็ต้องกินอาหารอยู่แล้วต้องทํร้ายอยู่เป็นเหาเป็นหมัดจระพัด <c oughs> คือเรายินดีในสรีระในขันขันนั้นมาก <c oughs> ก็ยินดีในจีวรยังไปเกิดในจีวร อ, อย่าแปลกใจนั้นที่กล่าวไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นฉะนั้นถ้าหายินดีในสรีระในร่างกายของบุรุษหรือของชายเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ไปเกิดอยู่ในที่ตรงนั้น ใกล้ชิดบุคคลนะบางทีเข้าบางอย่างถ้ากุศลลจิตเกิดก็ถ้ามีเหตุปัจจัยพร้อมก็เป็นลูกไปเลยก็เป็นเนี่งทีปัจจัยเป็นอย่างนั้นน่ากลัวนะเรื่องกรรมนี่น่ากลัวมากมเวลาศึกษาเรื่องวิถีไปก็จะเริ่มชัดเจนเรื่องเรื่องแบบนี้มากขึ้นยำศลีต้องต้องวางจิตให้ถูกนะทีนี้ถ้าดูบอกว่าสรุปตรงนี้อีกหน่อยก็คือว่าในเวิทยาประวัตินี่ก็แปลว่าความเป็นไป วิทยปาปตินี่คือความเป็นไปความเป็นไปของอะไรความเป็นไปของอารมณ์ทางไหนทางทวารนั่นแหละเขาเรียกวิทยปาปติในวิทยาปฏิเนี่ยในในหนังสือที่ทํากันมาเนี่ยในหลักสูตรที่ทําทํากันมาถ้าแต่ก่อนเป็นอีกอย่างคือคําแปลของหนังสือนี่คนละอย่างกันยกตัวอย่างเช่นความเป็นไปของอารมณ์ทางปัญจทวารเน ni, <ain> ี่ยนีมี4อย่างใช่ไหมอติหมันตารมหมันตารมบริตารมและอติบริตารมเนี่ย ถ้าในเล่มเก่าที่แปลว่าอาติมหันตารม์อารมณ์ที่มีจิตที่มีขนาดจิตเกิดได้มากที่สุดนับตั้งแต่ได้รับอารมณ์เป็นต้นมานเขาแปลอย่างนี้เล่มเก่าอ่ะถ้าในเล่มถ้าหากว่าในเฉลยถ้าในเฉลยนะเฉลยก็บอกอติมหันตารมหมายความว่าปัญจรม์ที่มีวิถีจิตเกิดได้มากที่สุดจนครบเจ็ดอย่างอันนั้นคือเฉลยของวิถี ถ้าตามหนังสือหลักสูตรเล่มใหม่อติมหันตารมคืออารมณ์ที่มีจิตตขณะจํานวนมากเหลือนับตั้งแต่การปรากฏแห่งอารมณ์ในปัญจทวารโดยที่เห็นไหมคําแปลสามอย่างนี่แปคลคนละอย่างกันเลยถ้าเล่มเก่าบอกว่าอติมหันตารมคืออารมณ์ที่มีขนาดจิตเกิดได้มากที่สุดนับตั้งแต่ได้รับอารมณ์เป็นต้นมาเอยอย่างนี้แปลอย่างนี้เข้าใจง่ายไหมถ้าบอกว่าอติมหันตารมคืออารมณ์ที่ ที่มีขนาดจิตได้มากที่มีขนาดจิตได้มากที่สุดนับตั้งแต่ได้รับอารมณ์เป็นต้นมานับตั้งแต่ได้รับอารมณ์เป็นต้นมาในี่ยว่าไงวิถีจิตเกิดได้มากที่สุดเริ่มตั้งแต่ได้รับอารมณ์เป็นต้นมาอันนี้คือเรื่มเก่าท่านในเฉลยบอกว่าอติมารันตรมณหมายความว่าปัญจารมณ์ที่มีวิถีจิตเกิดได้มากที่สุดจนครบเจ็ดอยา่างเจ็ดอย่างในที่นั้นนับยังไงปัญจทวารลวชนะหนึ่งจักคูอินยานสอง สัมปติส 3, สันตีสใช่หมสันตีสโวฒภปนาหชาวนาหแล้วก็ตถาลัมพนะเจได้เจอย่างนั่นคือตามเฉลยไม่ใช่อติมันตารลมโอ้ยคือไม่แย่คือปัญหาคือว่าถ้าปัญหาคืออย่างนี้วัตถุประสงค์ของอติมันตารลมเนี่ยต้องมีตถาลัมพนะใช่ไหม ทีนี้ถ้าหากว่าในตามหลักเล่มใหม่เขาบอกว่าอติมันตะรมคืออารมณ์ที่มีจิตตะขณะจํานวนมากเหลือนับตั้งแต่การปรากฏเกิดขึ้นในปัญจทวารที่มีจิตตะขณะจํานวนมากเหลือนับตั้งแต่การปรากฏแห่งอารมณ์ในปัญจทวาถ้าเล่มกล่าวบอกว่าอารมณ์ที่มีขนาดจิตเกิดได้มากที่สุดนับตั้งแต่ได้รับอารมณ์เป็นต้นมาอันนั้นคือฉเฉลย ไอ้ตรงนี้ก็ก็ไปแยกแล้วก็ไปพิจารณาถามว่าในบรรดาคนที่เป็นท่า ง, ง่ายๆ เ, เอาอย่างนี้ถ้าสรุปวิศยาปวัทีงทางทวารทางปัญจานี่นะอติมหันตารมณอารมณ์ที่มีกำลังแรงมากที่สุดถ้ามหันตารมณ์อารมณ์ที่มีกำลังแรงมากแต่ไม่ที่สุดส่วนปฤิตาารมอารมณ์ที่มีกำลังแรงน้อยถ้าอาติปฤตตารมก็คืออารมณ์ที่มีกาลังแรงน้อยที่สุด ถ้าสรุปเอาเนียอันนี้สรุปบอกแรงมากที่สุดนี่คืออติมันตารมแรงมากอันนี้คือมันตารมบอกแรงแต่น้อยนี่เป็นปริตตารมแรงน้อยที่สุดนี่เป็นอติปริตารมมีบางคนเขาสรุปมาอย่างนี้ฟังดูว่ามันชัดดีเหมือนกันใช่ไหมชัดนะแบบเนี้ย<ม>ดูไปดูมากัสรุปแล้วก็คือที่จริงถ้าจะพูดอย่างนี้นะ อติมันตารม์ความเป็นไปของปัญจารลมเนี่ยความเป็นไปของรูปารลมศรัทธารลมกันธารมลมและสารมโผล่ท่าพลมใช่ไหมที่แรงมากที่สุดอันนี้เป็นอติมันตะลมเขานับความเป็นไปของรูปารล์เป็นต้นนะจึงเรียกว่าวิศยประวติวิศยประว ต, วะวติคือความเป็นไปของรูปารลมแรงนะความเป็นไปของรูปารล์แรงแต่ไม่มากที่สุดนะความเป็นไปของรูปารล์แรงน้อย ความเป็นไปของรูปอารมณ์ที่แรงน้อยที่สุดเนี่ยก็ น, นับเรียกชื่อไปว่าเป็นอติมหันตังมหันตังบริตังหรืออติบริตังอันนี้ก็แยกกันตามสภาพของอารมณ์เห็นไหมว่าจริงๆแล้วชื่อของรูปอารมณ์นั่นแหละแต่บอกแรงหรือไม่แรงแรงเป็นยังไงบอกเป็นปัจจัยให้จิตเกิดได้มากหรือไม่มากถ้าเป็นปัจจัยให้จิตเกิดได้มากอย่างนี้เรียกเป็นอติมหันตารมณ์นะ วิศยบปติอันนั้นน่ะเรียกว่าตีมันตารมไอต ร, ตรงนี้บางคนศึกษาวิถีอ้ะมองทีไม่เคอยออกตรงเนี้ยนี่เห็นนะก็ะนี้หมดเวลาเนี่ยที่ให้ย้อนดูในเรื่องของอนุสนธิรัตติน ญ, ญาณ น, นั้นต้องการขยายเพิ่มเติมนิดหนึ่งในคาถาที่หนึ่งและคาถาที่สองก็หมายความว่าในประเภทสังหาและปะติสังขารในการประมวลหรือประเภทของจิตเจสิญก็ได้แก่ การประมวลความเป็นไปของวิถีจิตแล้วก็วิถีที่ที่พ้นจากวิถีจิตเนี่ยก็คือปริเจตที่สี่ปริเชตที่สี่ถ้าพ้นจากวิถีจิตรวมต้องปริเสตปริเชตที่ห้าด้วยเนี่ยทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของคําว่ามีคําว่าจิตตุ ป, ปาทานามิจเจวังคือจิตตุ ป, ปาธาเน่ยก็คือว่าจิตและเจตสิกอุ ป, ปาธาการเกิดขึ้นเน่ยนะทีนี้ว่า คำว่าอิจเก ว, วังหนึ่งก็แปลว่าดังนี้ไหมแปลว่าดังนี้นีคือโดยประการดังที่ได้กล่าวมาในปริเฉดแรกนั่นเองสังคหมุตตรังก็คือการประมวลอันดีงามเนี่ยเป็นคําแสดงประเภทเดียวกันท่านฟังถ้าบอกว่าภูมิปุคละเพเทนะคำคำนั้นก็แปลว่าพร้อมด้วยประเภทของภูมิและบุคคลพร้อมด้วยประเภทพร้อมด้วยประเภทของบุคคลก็คือบุคคลอะไรผู้มีเหตุ อย่างยกตัวอย่างเช่นบุคล 2, บคลที่มีเหตุสองบุคคลที่มีเหตุสามเป็นบุคคลที่เป็นอเหตุตักลางเนี้ยใช่ไหมนี่คือประเภทแห่งบุคคลถ้าประเภทแห่งภูมิแหละก็มีกามาวาจรถภูมิรูปาวาจะระภูมิอะรูปาวาจะระภูมิเนี่ยพร้อมด้วยประเภทแห่งภูมิเนีส่วนคําว่าปุบพาปรานิยามีตังก็กําหนดไว้ตามลําดับคือพึงกําหนดไว้ตามลําดับจิตก่อนและจิตหลังคำคำนั้นนะลำดับอย่างไร ก็มีความหมายบอกว่ากําหนดไว้ตามลําดับจิตก่อนเช่นจิตอะไรล่ะก่อนอาวชนะจิตก็พวังเนี่ยไหมพวังนั้นก่อนอาวชนะจิตคือก่อนปัญจทวาละชนะวัวชนาจิตถ้าหากหลังปัญจทวารแลวชนะจิตก็คือจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายเยวิญาณสัมปติชนะสันติรณตามลําดับอย่างเนี้เขาเรียกว่าเป็นการกําหนด กิจที่เกิดก่อนและเกิดหลังเป็นต้น น, นั่นเองทีนี้คําว่าประวัติสังคหารนามะปริเฉตชื่อว่าประวัติสังขารก็เป็นการแสดงประเภทเดียวกันหมายความว่าเป็นบริเชตที่กล่าวถึงความเป็นไปนี่ความเป็นไปอีกคํานึงคําว่าปฏิสนธิประวัติต่ยังคำคำนั้นแหมหมายถึงอะไรในปฏิสนธิการและประวัติการในขณปะปฏิสนธิการและก็ประวัติการ นะตรงนี้ท่านท่านมาแยกสับให้ดูเออทาให้ชัดเจนขึ้นมานิดหนึ่งทีนี้ประการต่อมาก็คือมาดูเกี่ยวกันในะเรื่องของคำที่ติดค้างไว้เออคาที่หยุดไว้เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้หยุดไว้ในเรื่องของคำว่าอติมหมานตาร ม, มหมานตารมปริตารมแล้วก็อติปริตารมคำแปลนั้นว่าแปลตามฉบับของ หนังสือเล่มเก่าหรือเฉลยหรือว่าในหลักสูตรเล่มใหม่เขาบอกว่าในปัจจุบันเลยยืนตามเล่มใหม่กันก็บอกว่าอามณ์หันตารมคืออารมณ์ที่มีจิตตะขณะจํานวนมากเหลือนับตั้งแต่การปรากฏแห่งอารมณ์ในปัญจทวารถ้ามหันตารมก็คืออารมณ์ที่มีจิตตะขักมีจํานวนเนาะมากนับตั้งแต่การปรากฏแห่งอารมณ์ในปัญจทวาร้าปริตตารมก็คืออารมณ์ที่มีจิตตะขณะ จำนวนน <buat S 1> ้อยนับตั้งแต่การปรากฏแห่งอารมณ์ในปัญจทวารถ้าต <te> ีปริตตารมก็คืออารมณ์ที่มีจิตตขณะจํานวนน้อยที่สุดนับตั้งแต่การปรากฏแห่งอารมณ์ทางปัญจทวารแล้วก็มาสรุปว่าเกี่ยวในเรื่องของว่าอตีมหันตารมอารมณ์ที่มีกําลังแรงมากหันตารมก็คืออารมณ์ที่มีกําลังแรงมากปริตารมก็คือกําลังแรงน้อยถ้าอติปริตารมก็แรงน้อยที่สุดก็เลยมาจับประเด็นกันตรงนั้น ทีนี้วิธีการศึกษาในเรื่องของคําว่าแรงมากแรงน้อยเป็นต้นนั้นน่ยถามว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดอติมานตารมหานตารมปริตารมนั้นดูอะไรเป็นเครื่องวัดท่านดูเกี่ยวในเรื่องของคําว่าอุบัติเหตุเหตุที่เกิดขึ้นของแต่ละทวารทวารก็ อ, อุบัติเหตุว่าแต่ แต่ละทะวารนั้นจะมีอุบัติเหตุเออที่เขาเรียกอุบัติเหตุนี่ก็แปลว่าเหตุแห่งการเกิดขึ้ an. <h ete> <h ete> นนะเหตุแห่งการเกิดขึ้นถ้าถามว่าอติมหันตารมณ์องธรรมได้แก่อะไรเออพูดฐานองคธรรมหน่อยมหันตารมณ์ละองธรรมได้กไแดก่อะไรปร <h ete> ิตตาอารมณ์ธรรมได้แก่อะไรและอติปริตตารมเนีออ่ยองคธรรมได้แก่อะไรแล้วหาองธรรมเจอไหมอติปริตาลมเอออติมหันตารมณ์ในองธรรมได้แก่อะไรดูก่อนเจออย่าง อติมหันตารมก็แปลว่าเออเข้าหมายถึงองค์ธรรมก็ได้แก่วิสยารูปเจ็ดใช่ไหมนักตาสตานมองเห็นหว่าวิสยารูปเจ็ดนะี่คืออะไรรูปารมสัทธารมคันทารมระสารมโพธพารมได้4ี่แล้วนะปัทวีโพธพารมห้าเตโชโพธพารมหกวายโญโพธพารมเป็นเจ็ดนี่เขาเรียกว่า วิสยารูปเจ็ดนี้เป็นองค์ธรรมของอติมหันตารมณ์ถามว่าองค์ธรรมของอติมหันตารม์คือวิสยารูปเจ็ดเนี่ยที่มีกําลังแรงมากที่สุดแรงถึงขนาดว่าแรงขนาดไหนถ้าถามว่าแรงขนาดไหนมีขนาดจิตเกิดได้มากที่สุดคืออารมณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นมาเพียงหนึ่งขนาดใหญ่ของจิตแล้วก็เริ่มกระทบปรากฏในทวารเลยนะียแล้วก็จะยืนให้จิตรู้ได้จนถึง หรือตั้งในจิตรู้ได้จนถึง17บดขนาดที่ส7บเจดเนะหมดอายุของปัญจรมพอดีแล้วก็เริ่มเริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นดับ17ดขนาใหญ่นะขนาดใหญ่ก็นับเป็นขนาเล็กก็คือห้าสิบเ็ขนาดเล็กดูในดูในนี่ในหน้านี้ประกอบไปเลยเกี่ยวกับในเรื่องของปัญจทวารวิถีเนี่ยก็เห็นเลยนีเลยเนะี่ย ดูอตีมหันตารมเลยในหน้าที่สี่ดูแถวตั้งเราก็จะเห็นแหละเห็นว่าสิบเจ็ดขนาดเล็กเนะี่ยก็นับเออก็โทษทีสิบเจ็ดขนาดใหญ่เนะี่ยก็นับยังไงแล้วก็ดูห้าสิบเอ็ดขนาดเล็กเนะี่ยก็แสดงว่าสิบเจ็ดคูณด้วยขนาดเล็กสามนั่นเองก็เป็นห้าสิบเอ็ดนั่นคืออตีมหันตารมย้าอีกครั้งเนะี่ยลองดูเนะี่ยอติมหันตารมเนะี่ยมีขนาดจิตเกิดได้มากที่สุดใช่ไหมคืออารมณ์นี้ ถ้าพูดโดยโดยเต็มก็คือว่าคือวิทยาลูปทั้งเจ็ดนี้เมื่อจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพียงหนึ่งขนาดของจิตก็เริ่มกระทบกระทบที่ไหนปรากฏทางปัญจทวารเลยก็แปลว่าเขาผ่านไปเพียงหนึ่งขนาดจิตนะฮะผ่านไปหนึ่งขนาดจิตเท่านั้นเขาก็จะกระทบเลยทีเดียวนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้พอกระทบแล้วเนี่ยเขาตั้งเขายืนให้จิตรู้ได้ไปจนถึงขนาดที่สิบเจ็ดก็จะหมด อายุของปัญจารม์พอดีอารมณ์นั้นเกิดคือรวมรวมตั้งแต่การเกิดถึงถึงการดาบสิบเจ็ดขณะใหญ่อายุของเขาเนี่ยอุปาลักณะ ข, ของตีแต่พวังจนถึงพังคะขณะของตธารมนะสิบเจ็ดขณะข น, นั่นแหละทีนี้เดี๋ยวพอพูดถึงตรงนั้นเน่มาทำความเข้าใจคำว่าอุปาทะถีติแล้วก็พังคะหน่อยคือจิต ด, ดวงหนึ่งเนี่ยจะต้องมีสามขณะเล็กที่เขาเรียกว่าอนุขณะ อุปาท่าคือขณะเกิดความเกิดหมายความว่าการได้รับสภาวะนั้นน่ะนะคือการเกิดขึ้นแล้วถ้าถิติก็คือการดํารงอยู่ไม่ถอยกลับแห่งสภาวะตามที่ได้รับแล้วถิติขณะอุปาท่าทิฏิพังค่านี่ส่วนพังคัตขณะนั้นก็แปลว่าขณะดับหรือความดับเนี่ยการเสื่อมหายไปจากสภาวะนั้นก็คือการดับไปนั่นเองขณะของจิตดวงหนึ่งเขาเรียกเอจิตตัก คานังนามะหรือเอจิตต์ขนาดนามนามะเนี่ยเขาเรียกว่าขนาดของจิตดวงหนึ่งหนึ่งนะบอว่าเมื่อขนาดของจิตเป็นอย่างนี้อะเวทนาแหละเวลาเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเวทนามีขนาดแบบนี้ไหมสมมติถ้ายกเวทนาเจดสิกเนี่ยมีอุปาทขนาดไหมทิฏฐิขนาดมีไหมพังค์ั้งขณะก็มีเหมือนกันกับขนาดของจิตเป็นไงเงเออถ้าไปดูไปดูความเห็นของท่านดีกาท่านขยายอย่างนี้นียในมูลฎีกาบอกว่า อุปาทัศขณะขณะเกิดและพังค์คขณะขณะดับชื่อว่าขณะของจิตดวงหนึ่งหนึ่งท่าว่าธรรมดาว่าสายฟ้าในโลกย่อมดับไปจากเวลาเกิดขึ้นชื่อว่าทีติขณะตั้งอยู่ระหว่างการเกิดกับการดับของสายฟ้าย่อมไม่ปรากฏโดยเฉพาะชั้นใดก้อนหินเนี่ยที่คว้างขึ้นไปคือโยนขึ้นไปข้างบนอากาศเนี่นะท่านไม้ก็ได้ เมื่อลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาที่ชื่อว่าถีติขณะระหว่างการลอยขึ้นนับแก่การตกลงมาย่อมไม่มาปร า, ปรากฏโดยเฉพาะชั้นใดแม้จิตก็ดับไปต่อจากเวลาเกิดฉันนั้นโดยที่แท้แล้วท่านว่าไงแม้จิตนั้นก็เป็นอันในส่วนของการดับต่อจากการส่วนเกิดทันทีส่วนทีติขณะ หนึ่งของจิตนั้นที่พอจะนับได้ย่อมไม่ปรากฏโดยเฉพาะในระหว่างแห่งส่วนทั้งสองไม่เหมือนกับรูปธรรมคือดีกาท่านบอกว่าขนาดตั้งเนี่ยไม่นั่นพูดหยางกันเลยนะแต่บอกขนาดตั้งไม่น่ามีอ่ะก็เหมือนโยนเหมือนโยนก้อนหินขึ้นไปบรอากาศเนี่ยคือโยนไปปุ๊บก็มีแต่โยนขึ้นกับการตกลงอ่ะขนาดตั้งที่จริงตรงเนี้ยท่าในเขาบอกว่า เออถ้าหากว่าตรงนี้ถ้ า, ถารูปประทรับเนี่ยอย่างงั้นท่านเมกไม่แย้งท่านท่านจึงบอกว่าท่านก็เลยยกขึ้นมาเนีท่านบอกว่าในคมภีร์ทั้งหลายส่วนในจิตแตยมกได้ตรัสระบุถึงพังคขณาขนาดนา ด, ดับและอุปาทขณาขนาดเกิดทั้งสองขณะของจิตว่าจิตชื่อว่าเกิดแล้วเกิดอยู่ตอบว่าจิตชื่อว่าเกิดแล้วในพังคขณะคือจิตเนี่ยชื่อว่าเกิดแล้วในพังคขณะไมิใช่เกิดอยู่ คือเกิดแล้วเข้าใจไหมในพังค ข, ขนาดแปลว่ามันเป็นอดีตไปแล้วอพังค ข, ขนาดเนี่ยมันเกิดแล้วมันเป็นขนาดดับนะ่ยไม่ใช่มันเกิดอยู่มันไม่ใช่ตั้งอยู่มองออกไหมคำว่าพังค ข, ขนาดเนี่ยแต่ในอุปาทขศณาชื่อว่าเกิดแล้วแล้วก็เกิดอยู่ด้วยที่อุปาทัศณาเนี่ยเกิดแล้วเนียแล้วก็เกิดอยู่ด้วยเพราะยังตั้งอยู่ท่านยกมาเนี่ยแม้ถ้าไปพิจารณายิ่งไปดูในคัมภีรคาถาวัตถุด้วยแล้วในะยิ่ง แค่สองขนาดเนี่ยท่านถกกันมากเลยนะสองขนาดสามขนาดนี่ถกกันอย่างแรงเลยเนะีอย่างยกตัวอย่างสกาวาทีถามว่าจิตดวงหนึ่งตั้งอยู่ตลอดวันหรือประวาทีตอบว่าใชา่คืออุปาทัศขณะและพังคขณะของจิตสองส่วนไม่มีกล่าวถึงทีติขดขณะแล้วท่านก็ยกไอ้คำพีกระเท้าถูกมีความเหมือนสองฝ่ายระหว่างสกาวาทีกับประวาทีใช่ไหมฝ่ายพระโมคคิลิบุตรติสาเทละก็ถามบอกว่า จิตดวงหนึ่งตั้งอยู่ตลอดวันหรือประลาวัีตอบว่ววนนาใช่สกาวัตีก็ถามว่าครึ่งวันเป็นขนาดตั้งอีกครึ่งวันเป็นขนาดดับหรือบอกใช่ไหมครึ่งวันนี้เป็นขนาดจิตตั้งอยู่เพราอมาถึงอีกครึ่งวันนี้ก็เป็นขนาดดับประลาวัติยกไม่ใช่อย่างนั้นไม่คว้นกล่าวอย่างนั้นส่วนสวักกาวัตีก็ถามจิตดวงหนึ่งตั้งอยู่สองวันหรือประลาวัีตอบว่าใช่คือสามารถตั้งอยู่ส่วนสกาวัตีก็ถามบอกว่าวันหนึ่งเป็นขนาด เกิดของจิตอีกวันหนึ่งเป็นขนาดดับเป็นต้นเนี่ยแกก็ออกไม่พึงกล่าวเช่นนั้นทีนี้สกาวตีก็ถามว่าสองวันเป็นขนาดเกิดอีกสองวันเป็นขนาดดับหรือประวาเทียวไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเป็นสองเดือนสี่เดือนหนึ่งปีสองปีสิบปีหนึ่งกับสองกับสี่กับเป็นต้นเนี่ยที่จริงเในสูตรนี้ท่านพูดถึงในเรื่องของบุคคลที่ท่านมองถึงการเข้าส่วน เกี่ยวในเรื่องของส่วนทีติพึงมีโดยเฉพาะพระมหาเทลา่าคือพระโมคคิริบุติสสะพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าสกาวะทีบุคคลถามว่าจิตดวงหนึ่งตั้งอยู่ตลอดวันหรือไประวัทีต่อว่าใช่สกาวะทีถามว่าส่วนแรกของวันเป็นขนาดเกิดของจิตส่วนที่สองเป็นขนาดตั้งอยู่ส่วนที่สามเป็นขนา ด, ดับหรือนะท่านบอกว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและสามวันสี่เดือนเป็นต้นเนี่ยท่านท่านก็ยกสูตรมาดูก่อนบิกสูตรทั้งหลาย ลักษณะแปรปรวนของสังขา ธ, ธรรมมีสามอย่างเหล่านี้อย่างสามอย่างเป็นอย่างไรคือการเกิดขึ้นปรากฏความเสื่อมปรากฏและการแปรปรวนของสภาวธรรมอันนั้นนะตั้งอยู่แล้วก็ปรากฏเช่นเดียวกันพระเจ้าตรัสว่าการเกิดขึ้นของเวทนาปรากฏไหมปรากฏความเสื่อมไปปรากฏและก็แปรปรวนของสภาวธรรมอันตั้งอยู่ก็ปรากฏการเกิดขึ้นกอนของสัญญาสังขารและก็วิญญาณก็มีแบบเนี้ย การเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็มีการเกิดขึ้นปรากฏการเสื่อมปรากฏการแปลปวนไปปรากฏใช่ไหมท่านเลยยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยทิฏิกณาพังคะขณะทิติกนาเนา่ยมีกัลยยกในลักษณะเช่นนั้นขึ้นแสดงว่าแค่อุปาทัศขณะทิติกขณะแล้วก็พังคะขณะ น, นี้ท่านถกกันมาเป็นอย่างดีเนี่มายกนี้บางทีเดีย๋ยนี้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้สังเกตว่า ไอ้คำว่าหนึ่งลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยแสนโกรธครั้งเนี่ยถ้าไปดูตรงนั้นแล้วท่าน้ึงบอกเอ็งเป็นยังไงเวลาท่านเรียนกันจริงๆท่านก็บอกอยากจะรู้จริงๆคำนวณไม่ได้ไม่สามารถที่จะคำนวณได้ทีนี้ถ้าไปดูตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะได้บอกว่าอารมณ์เนี่ยอติมหันตารมณ์เนี่ยนะองค์ธรรมได้แก่วิสยรูปเ็ใช่ไถ้ามหันตารมณ์ก็คือวิสยารูปเ็ ปริตตารมก็คือวิสยารูปเจ็ดแล้วก็อติปริตตารมก็คือวิสยรูปเจ็ดแต่ว่าถ้าวิสยรูปเจ็ดที่มีกําลังแรงมากที่สุดนั่นคืออติมหันตารมนะถ้าวิสยรูปเจ็ดมีกําลังแรงมากอันนี้คือมหันตารมถ้าหากว่าวิสยรูปเจ็ดมีกําลังแรงน้อยอันนั้นเป็นปริตตารลมถ้าหากว่าวิสยรูปเจ็ดที่มีกําลังแรงน้อยที่สุดอันนั้นเป็น อติพริตารม์นีเป็นอย่างนั้นทีนี้วิถีจิตนี่นะเวลาเกิดขึ้นแต่ละครั้งอย่างยกตัวอย่างเช่นในอติมหันตารมวิถีเนี่ยพครบสิบเจ็ดขณะแล้วต้องลงผวังมีไหมต้องลงผวังผวังตัวนั้นเน่ยบางแห่งกันเรียกว่าผวังค้าปาโตการตกไปหกแห่งกระแสผวังกับจิตในอติมหันตารมเนี่กระแสจิตที่เกิดขึ้นตั้งแต่อาวชนะจิตแล้วก็ผวังคจะได้จิตดวงแรกได้เกิดขึ้นต่อไปจนถึงโชนะแล้วต่อมาก็คือ เป็นตถารมนาะทีนี้ลักษณะของผะวังคปาตะนี่คำว่าปาตะเขาแปลว่าการตกไปนีปาตะในที่นั้นแปลว่าการตกไปผะวังคปาตะก็แปลว่าการตกไปแห่งกระแสจิตโดยความเป็นผะวังหมายถึงการตกไปเป็นผะวังตกไปจากวิถีจิตและไปเป็นผะวัง น, นั่นเองในทํานองอย่างนั้นหรือบางแห่งท่านบอกว่าผะวังคปาตะเนี่ยการตกไปในผะวังกัจิต ผวังคานและอารมณ์ของผวังมองเห็นไหมตัวเนี้ยเพราะผวังคะจิตเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรอ่าเป็นผวังค่จิตได้ไหมรักษาภพและผวังคฐาถาจำผวังคานได้ไหมเขาเป็นผวังค่ะจิตด้วยเป็นผวังคานาด้วยใช่ไหมคือเขาไปอยู่ในตกลงไปในเป็นอยู่ในผวังคานและและก็อารมณ์ของผวัง ในการตอของเขาไปเนะี่ยโดยสามฐานนะหนึ่งไปเป็นผวังธัมกิจไปทํากิจในการรักษาภพสองโดยการเข้าถึงโดยความเป็นผวังคฐานใช่ไหมผวังคฐานมีกี่ฐานเออปฏิสนธิฐานเนี่ยนะอ่าอย่างยกตัวอย่างเช่นปฏิสนธิฐานเนี่ยผวังคฐานใช่ไหยผวังคฐานก็มีใช่ไหมว่าระหว่างอะไรกับอะไร อ, อระหว่างอะไรต่ออะไรที่เป็นฐานของกับผวังระหว่างอะไรอ้าระหว่างอะไรกับอะไรเป็นผวังกัฐานลืมฐานแล้วแล้วก็อารมณ์ของผวังนี่รู้ใช่ไหมลักษณะที่ตกตกลงไปเนี่ยคือแป๊บจากวิถีจิตเนี่ยเขามีอารมณ์ในปัจจุบันในภพนี่บ้างถ้าอย่างในวิถีทางปัญจก็คืออย่างตัทัศนชถ้าขึ้นวิถีก็รับรูปอารมณ์บ้างสรัทธาอารมณ์บ้างคันธารลมละสารมโพธพารมเนี่ย แต่พอเขาหมดกระแสที่เป็นวิถีจิตแล้วเขาก็ตกเลยตกลงไปเป็นผวังกักิจทำกิจโดยฐานะเป็นรักษาภ พ, พแล้วก็อยู่อยู่ในฐานะเป็นไปอยู่ในฐานของผวังคือไปเป็นผวังผวัง ก, ก็มีฐานของเขาว่าระหว่างอะไรต่ออะไระเช่นว่าระหว่างปฏิสนธิกับอาวัชนะเ น, นี่ยอันนี้เป็นฐานของผวังนะ เช่นวิธีเกิดดูวิถีแรกดิดูวิถีแรกก็จะเห็นใช่เห็นไหมเห็นวิถีแรกที่ย้อนกลับมาหน้าหน้าสามเห็นไหเห็นตัวปฏิสนธิ์ไหมพอมาปฏิสนธิก็มาเป็นปัญจาที่จริงตรงนี้มันจะต้องมีมโนก่อนถ้าเป็นวะวะุเขียนภาพนะอยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อปฏิสนธิเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมพอปฏิสนธแล้วต่อมาก็เป็นปฐมระมวังใช่ไม ถามว่าพระวังที่ต่อจากวิถีนั้นมีเท่าไหร่รู้สึกพวกเราจะมองไม่เห็นภาพตรงนี้ต้องเขียนให้ดูซะเนี่ยคําว่าพระวังเนี่ยนะพระวังขปาตาคือการตกไปแห่งกระแสจิตโดยความเป็นพระวังก็หมายคือการตกไปเป็นพระวังนี่ชัดเจนเลยเขาตกไปในฐานะไปรักษาภพเขาแล้วเอไปเป็นพระวังแล้วอีกในหนึ่งก็บอกว่าพระวังขปาตาคือการตกไปไปในพระวังขกิตนะไปทํากิจในการรักษาภพ แล้วก็ตกไปในฐานะเป็นอยู่ในผวังคาถาใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นในมรณาสนาวิถีที่ยกขึ้นมาให้เห็นเนี่ยระหว่างชาวนะจุติหรือชาวนาผวังจุติเนี่ยคือคนใกล้จะตายเนี่ยมีแบบนี้ก็บมีบางทีชาวนะแตทาผวังจุติก็มี้ตรงนี้ก็ดูว่าไอ้ท่านในวิถีนี้ที่ยกมาคือชวนะชาวนะดวงสุดท้ายในมรณาของมรณาสนาวิถีนี่เองเป็น เป็นผวาะระหว่างชาวนาดวงสุดท้ายกับจุติจิตนั่นเองเป็นฐานของะวังมีลงไปในฐานหน้าเป็นะวระคานและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าและอารมณ์ของพวะวังะอารมณ์ของะวังคืออะไรกรร ม, มาอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์เขาแปลเขาจะตกลงไปรับอารมณ์เก่าเขาแล้วคาว่าผวังคาปาตานหน า, หนาตกลงไปรับอารมณ์เก่าวงคนชอบเนียอย่าหาว่าม่ ตรงนี้อ่ะบางคนนะ่นน้อมไปที่จะลงประวังนะอย่าลืมนะน้อมไปที่จะหลับไนงะเห็นไหมน้อมไปด้วยตัณหาราคะโดยสัาไปไม่ใช่น้อมไปด้วยจิตที่ดีๆอะไรหรอกต่ทัดน้อมบ่อยไหมบอกเดี๋ยวจะไปรักษาพบเขาบอกจะไปสืบต่อพบเขาบอกโอ้ถ้าเพียงปลาตัณาอย่างนั้นเนี่ยสัตว์ที่ยังนอนมากๆเยอะพวกงูทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ใส่ใจพญานาค ก, การตกไปในโดยความเป็นประวังกับการตก ในพวังกากิดพวังกฐานแล้วก็อารมณ์ของพอวังเนี่ยอันนั้นก็ไปพิจารณาเนี่ยทีนี้ตรงนี้ไปทําความเข้าใจกลับไปดูในปัญจทวารลวิถีแล้วก็ดูการอธิบายเนียในยะที่เขาจะอธิบายในยในข้อของอัตตกถานั้นท่านดูประมาอย่างไรอัตตกถาท่านดูประมาว่าอดูวิถีเลยนะอัตพวัง อธิดาผวังผวังขจารนาผวังคุ่บเชษธาปัญจทวารลวชนะสัมปติชนะสันตีลนาเออไม่ให่ทวีปัญญายานสัมปติสันตีโวตธรรนาชาวนะและก็ตาารมนะแล้วก็ลงผวังต่อไปเนี่ยถามว่าไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยจะจะเห็นอย่างไรท่านก่าวอุปมาเหมือนนายเหมือนนายทวานบานหรือเด็กชาวบ้านเนี่ยแล้วก็เหมือนกับผลมะม่วงท่านท่านอุปมาลักหนึ่งท่านในอัตสาลีนี อุปมาเขาไว้นะอัธสารีนีอัธกถ า, าอุปมาบอกว่าการอุปมาเหมือนกับผลมะม่วงแม้การอุปมาอื่นๆก็มีเหมือนกันถ้าหากอุปมาว่าบุรุษคนหนึ่งนอนคุมศรีรษะที่โคนต้นมะม่วงอนอนคุมศิษะแล้วก็ที่มะม่วงมันมีดอกมีผลแล้วเนี่ยนะขนาดนั้นเองนะ่ยผลมะม่วงนั้นก็หล่นลงมาตกกึงพื้นเสียงก็ดังใช่ไหม เสียงดังก็เหมือนไอ้เสียงนั้นนะ่ะเสียดสีเข้าเขา้าเข้าไปในหูเขาก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกกะลืมตาดูแล้วก็ยื่นมือเข้าไปหยิบผลมะม่วงครึงดูดอมกลิ่นแล้วก็บริโภคท่านว่าไงทีนี้จะอุปมาอย่างไรในวิถีจิตตรงนี้ท่านก็บอกว่าเวลาที่จิตตกกระแสขพระวังเนี่ยเป็นพระวังพปาตาเนี่ยนะหรือเหมือนเวลาคนนอนหลับ หรือเหมือนเวลากับบุรุษคนนั้นนอนอยู่ที่โคนต้นมะม่วงว่างั้นเหมือนอย่างนั้นแหละเวลาตกกระแสผวังนะก็เหมือนคนคนนั้นนอนหลับบุรุษคนนั้นอนอนหลับที่ใต้ต้นมะม่วงนั่นนะทีนี้เวลาจะอารมณ์ที่มาก ร, ระทบประสาทประสาทตาหูจมูกเล้นกายเนี่ยนะเหมือนเวลาที่ผลมะม่วงหล่นมาจะกขั้วเสียดสีลงในใบหูเอเสียดเสียงนั้นเข้าหูเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเวลาที่ผวังของกิริยามโนธาตุไหว รู้จักพวังกิริยามโนธาตุไหมพวังก็จระนามันไหวใช่ไหมเหมือนเวลาตื่นพอเสียงอามาม่วง